วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเมื่อเช้าวนหลวงพ่อว่าเป็นเดือนสองแต่ตามไปที่จริงไปดูปฏิทินแล้วเป็นวันที่หนึ่งะเป็นเดือนหนึ่งขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งปีสองพันห้าร้ยห้าสิบเอ็ดแต่ทว่ามันยังทางสุริยคติทางนับทางโลกของเขายังเป็นเดือนธันวาคมอยู่วันนี้เป็นวันที่ยี่บสี่ธันวาคม พุทธศักราช 2,550 ยังไม่ถึง51แต่ทางจันทรคตินี่เร็วกว่าเป็นวันขึ้น15ค่าเดือนหนึ่ง51ไปแล้วเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพอจะเก็บหอมลอมลริบพอจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ พวกเราก็ไม่นียงดูไดเห็นว่าเวลามีค่าสำหรับพวกเราการเสียเวลาคือการเสียชีวิตไปทีละน้อยละน้อยเพราะนั้นการทำเวลาเวลาให้มีคุณค่าเวลาของพวกเราอย่าให้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ให้ถือว่า เวลาวันเวลานาทีมีคุณค่าสำหรับเราอย่าปล่อยปลดละเลยในวันเวลาที่ผ่านผ่านมาหรือที่จะผ่านต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อมีโอกาสช่วงเวลาไหนเราก็พยายามเก็บพร้อมลอมริบสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไปไเรื่อยแต่้างทางโลกเราก็สอแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อเลี้ยงชีพ ทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพทำไร่ทำนากิจการงานต่างๆเานเหล่านั้ น, เ ร, น, นเราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนด้านทางด้านจิตใจจิตตภาวนาสังสมคุญงามความดีสังสมบุญกุศลอันนี้เราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเหมือนกันให้ทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าทั้งสองอย่าง อาหารกายก็คืออาหารเป็นการเป็นอยู่ปัจจัยสี่อาหารใจคือนามธรรมก็คือธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทัยท่านที่ท่านได้แนะนำพวกเราที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายเทาวหลายวาระได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ า, จากหนังสือจากเทพ จากธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเราควรจะประมวลเข้ามาคิดทบทวนเอาเหตุและผลไข่ควรตร่ตรองที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านั้นเข้ามาเป็นแนวทางเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติหัดเกลากายวาจาใจของเราอย่าให้ ขาดตกบกพ่องในหลักของพุท ธ, ธะหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อไม่ให้เราลุ่มหลงมัวเมาว่าตายแล้วไม่สูนหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกจุดนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าคิดว่าตายแล้วสูนหรือไม่มั่นใจในว่าตายแล้วเกิดแน่หรือว่าตายแล้วสูนอย่างเนี้ยอย่างกังขาทั้งสองด้านตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูน แต่บางคนว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้แปลว่าปิดประตูตัวเองร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันอันนี้แปลว่าหมดความเชื่อแต่ถ้าหากว่าคิดว่าตายแล้วเกิดอีกนะอย่างนี้ที่หลวงพ่อได้เตือนย้ำเอาไว้พวกเราก็จะได้สำนึกไว้ว่าตายแล้วเกิดเมื่อตายแล้วเกิดเกิดได้อย่างไรทำไมหลวงพ่อก็ได้อธิบายให้แกพวกเราท่านทั้งหลายฟังไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หน ก็คือความย้ำว่าถ่าว่าพวกเร า, เราคิดว่าตายแล้วศูนย์พวกเราจะไม่สังสมคุณงามความดีทั้งหมดเพราะไม่เชื่อปล่อยปะละเลยแต่ว่าเมื่อตายแล้วไม่ศูนล่ะจุดนั้นแหะพวกเราจะมีความรู้สึกต่อเมื่อภายหลังแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วเกิดอีกนะอย่างนี้ถึงพวกเราจะไม่เชื่อถึงร้อยเปอร์เซ็น แต่เราก็พยายามปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พุทธที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ทมท่านตัดสู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนั้นนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะลึกซึงถึงใจจากนั้นความเชื่อไม่ต้องพูดถึงทีนี้ เพราะเราได้ประพุทธปฏิปัติแล้วจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วจิตกับกายรู้แจ้งรู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นคนละอันกันไม่ใช่อันเดียวกันเห็นชัดด้วยสมาธิของเราจากนั้นเราไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์อีกแล้วเชื่อมั่นด้วยตนเองตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนไม่ต้องถามใครนี่แหละ อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายอันดับแรกก็คือปลูกศรัทธาไว้ก่อนให้มีความเชื่อไว้ก่อนในเมื่อไม่มีความเชื่อแล้วปิดหูปิดตาตัวเองแล้วตายแล้วศูนย์อย่างเนี้ยคือไม่มีไม่เชื่อในเมื่อไม่เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนคนนั้นเหมือนกับตาบอดปฏิเสธอลังต่อลังแตนไม่มีหรอกอขวากหนามไม่มี เออหลุมบ่อหลุมไม่มีเหวไม่มีอย่างเนี้ยแต่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในโลกนี่มันมีอยู่แล้วแต่ตาบอดมองไม่เห็นก็เลยปฏิเสธเออต่อแตนเหล่านั้นอสรพิษเหล่านั้นโศกเหวเหล่านั้นไม่ปฏิเสธคนตาบอดถ้าไปเดินเข้าไปสุ่มซำเขาไปก็พร้อมที่จะไปเจอสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ต้องสงสยัย เพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วมันก็ต้องทำหน้าตามหน้าที่ของมันถึงจะทำไม่ตามหน้าที่แต่ตาบอดไปตกมันเองตกเหวตกบ่อเองเออก็ช่วยตาบอดไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุไรเพราะของจริงมันมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วตายแล้วไม่สูญอยู่แล้วบาปปุลคุณโทษมีจริงอยู่แล้ว เหมือนกับพวกเราไม่เชื่อคุกไม่เชื่อตารางอย่างนี้แหละข้าไม่เชื่อหรอกคุกตารางมีในเมืองมนุษย์แต่พวกเราไปฆ่าไปตีเขาเข้าละ่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าคุกตารางอยู่ที่ไหนแต่เมื่อไปตีไปฆ่าเขาเขา้าตำรวจก็ต้องจับไปใส่คุกไปตารางเราจะมาควรนทางที่หลังบอกโอ้คุกตารางมีจริงนะแต่ที่ไหนได้มันสายไปเสียแล้วอันนี้ก็เหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดไว้อยู่เสมอว่า ให้เชื่อผู้มีปัญญาให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้พวกเราจะได้เดินถูกต้องตามธรรมคําสั่งสอนในภพนี้ชาตินี้ปัจจุบนันชาตินี้ถ้าว่าเชื่อตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมสอนให้เราแล้วเราก็เดินถูกต้องถูกทางไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนตอนเองก็ไม่เดือดร้อนชีวิตของเราก็ราบรื่นไปนักสถานที่ใดมีแต่คนยกย่องนับถือเพราะว่าเราทําถูกต้องเป็นธรรมแต่ถ้าหากว่าพวกเราทำํำไม่เชื่อไม่ทําตนไม่ดีไปนักสถานที่ใดในพบนี้ชาตินี้ก็เป็นที่รังเกียจเตียดสันของคนทั้งหลายเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองทําไม่ถูก เพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเรานำมัดไข่ควรทบทวนพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคุ้มครองพวกเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยท่านบอททางใจด้วยทางวากายด้วยทางวาจาด้วยถ้าเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมแล้วไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถูกทั้งนั้น การเป็นอยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันทางว่าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยรักษาศีลดีแล้วอ น, นิสงศีลอั น, นิสงทานอ น, นิสง์การประพฤติธปฏิบัติธรรมมนุษย์ไม่เห็นเทวดาก็เห็นเทวดาเห็นยังไงเทวดาเห็นแล้วก็ บ, บรรดาให้มนุษย์อบอกกล่าวอมาให้มาทําบุญทำทานอย่างเนี้ยอท่านอยู่ปาโรงพงไพผ่ตา ลึกขนาดไหนผู้คนศรัทธายาโสมก็เข้าไปหาเพราะเขาอยากจะได้บุญเทวดาบัรดาลก็ไม่น่าจะผิดผู้ที่ใจสูงนั่นคือเทวดาอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลอยากประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นล่ะคือเทวดาเพราะนั้นถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติดีแล้วอย่าไปคิดว่าจะอดจะอยากไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่อเย็นเป็นถูกทางจิตใจ อันนิสงศิลอันนิสงทานของพวกเราจะคุ้มครองเราไม่อดไม่อยากจิตใจก็มีความสงบพรมเย็นเป็นถุกอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะ พ, พวกเรามีศีลธรรมแต่ถ้าว่าพวกเราทําตนไม่ดีอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่นักสถานที่ใดไปหาใครมีแต่คนรังเกียจเดียดสันไปที่ใดก็มีแต่คนกลัวเราอจะไปทําให้เขาเดือดร้อนวุ่นวาย พอเหตุตายเพราะเราขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รักษาทั้งกายทั้งวาจาและทางใจอาหารกายขอให้อ่านให้ออกไตรตรองดูด้วยเหตุและผลอย่าให้ขาดตกบกผ่องการเป็นอยู่ส่วนอาหารทางด้านจิตใจศีลธรรมจริยธรรมก็พยายามสังสมเก็บเข้าสู่จิตเข้าจู่ใจของพวกเราอย่าได้ตั้งอยู่ในความ ไม่ประมาทด้ือว่าจะตั้งอยู่ในความไม่เชื่องั้นเถอะให้ตั้งความเชื่อเอาไว้ในเมื่อเรามีความเชื่อในจิตในใจแล้วนั่นล่ละที่เราก็จะต้องพยายามผลขวายคิดอ่านไตรตรองใช้สติใช้ปัญญาทบทวนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็จะพยายามเรียนรู้พยายามตะเกียกตะกายให้รู้ แต่ถ้าสิ่งไหนที่พอพวกเรารู้แล้วพอเป็นแนวทางแล้วพวกเราตั้งความเชื่อเราพยายามพิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลนั้นๆนี่แหละจิตใจของเราก็จะสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นรู้แจ้งเห็นจริงถึงพระไตรสรณะคมเป็นอันดับแรกยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็พิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ก็เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นไปพระโสดาสกทาคานาคาอรหันในที่สุดนี่แหละจิตใจพวกเราสูงสงได้แต่ถ้าว่าทําให้ต่ําก็ต่ําได้เหตุไรพอเราไม่ได้คิดไม่ได้อ่านเห็นอะไรเข้ามาก็เห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้อง อ, อไม่เห็นแก่ศีลธรรมนั้นถ้าพวกเราทําอย่างนั้นก็แปลว่าเราทําตนให้ไปในทางต่ํา ไปในทางต่ําขาดคุณธรรมทางด้านจิตใจเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าให้มีความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละแต่ถ้าพวกเราทําได้อย่างนั้นแล้ว อยู่ราสถานที่ใดอยู่ป่ารงพงไพ่ยอยู่ตามลําพังจิตใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดไม่ร้อนไม่บุญไม่ไวายแต่ถ้าว่าพวกเราทําตนไม่ถูกแล้วจิตใจเหงือดแห้งนะจิตใจว้าเห ว, ว้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่พวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมภาวนาจำมัำ่เสมอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นไตรลักไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครก็ต้องพึ่งตนเองเท่นี้พึ่งใครก็เท่านั้นพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งล้านพึ่งญาติพี่น้องพึ่งบ้านพึ่งเมืองพึ่งเหล่านั้นก็พึ่งได้อยู่พึ่งได้ในระดับหนึ่งแต่พลที่สุดมันก็ต้องพึ่งตนเองอไปพึ่งที่อื่นมันพึ่งไม่ได้นะถ้าเราได้ศึกษาดีแล้วที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ใครควรทบทวนดีแล้วมันพึ่งที่อื่นไม่ได้มันต้องพึ่งตนเองที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าทว่าอัตหิอัตโนนาโถจะซึ้งในใจอย่างมากจะไปพึ่งใครไม่ได้ทั้งหมดมันต้องพึ่งตนเองมันถึงจุดที่พึ่งตนเองแต่พึ่งจุดภายนอกมันก็มีต้องพึ่งจุดภายนอกก็มีต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่ว่าจุดสุดท้ายเราจุดที่จะพึ่งตนเองจริงๆมันมี เราะนั้นเราต้องดูทั้งพึ่งพาภายนอกทั้งพึ่งพาภายในทั้งพึ่งพาตนเองด่านสุดท้ายต้องดูให้ดีต้องใช้ปัญญามองให้ไกลมองให้รอบด่านรลอบข่างมองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตมองทั้งเห็นคู่คนที่ผ่านไปแล้วเหมือนที่คนที่จะผ่านไปอีกถึงมองถึงตนเองอีกนึกถึงเขานึกถึงเรา นึกถึงท่านทุกคู่ทุกคนแล้ว ก, ก็ น, นึกถึงตัวเองด้วยถ้าพวกเราใช้ปัญญาพิจารณา์ยอกย้อนการเป็นอยู่ของตนเองแล้วนั่นละทีนี้จะรู้แจ้งจะรู้จริงจะรู้ทางหนีทีไร่ว่าเราจะเอาอยัางไงในชีวิตของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้การพิจารณาไตรตรองด้วยหลักเหตุผลแล้ว พวกเราจะลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัตฏสงสารนี้ไปนานเท่านานเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ข อ, ขอให้พวกเราทกทุกท่านมาประพฤติปฏิบัติทำรรนะอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตของเราอย่าเมาในชีวิตอย่ามัวเมาในการเป็นอยู่อย่ามัวเมาในการอยู่การฉันการหลับการนอนว่าเป็นของสนุกสุขสบายอีกสักวันหนึ่ง การเวลาอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่าเวลาของเรามีคุณค่าเราจะไปคิดว่าเราได้อายุเท่านั้นอายุเท่านี้การได้อายุคือการเสียชีวิตของพวกเราเสียชีวิตไปทีละน้อยละน้อยผลีนสุดวันคืนเดือนปีมันกินชีวิตของพวกเราไปทีละน้อยละน้อยผลี่สุดก็หมดไปได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ คิดทบทบวนดูให้ดีนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดผมก็ได้ลงไปไปทำธุระหมู่พวกเพื่อนศรัทธาญาติโยมก็คงจะอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อไปอะไรบ้างพอหลวงพ่อเป็นเจ้าของเป็นหัวหน้าวัดแต่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนน บางท่านบางองค์ก็อยากจะรู้ว่าหลวงพ่อไปทำอะไรบ้างบางครั้งก็เพื่อจะได้เป็นการศึกษาบางครั้งก็จะได้ไดรู้ว่าครูบาอาจารย์ไปทำธุระอะไรเพราะนั้นหลวงพ่อจะเรียงลำดับให้ฟังเป็นสังเขปเหมือนกับพ่อแม่ไปหาอยู่หากินในป่ารงพงไพยไปทำที่ไหนมา ใก็จะต้องมาพูดมากล่าวให้ลูกชิดลูกหาได้รับรู้รับทราบลูกทั้งหลายให้รับทราบอย่างพระพุทธเจ้าก็ เ, าเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นแนวแถวอย่างพระอา น, นุ์บอกว่าพระพุทธองค์ไปนสถานที่ใดไปเทศให้ใครฟังพอกลับมาแล้วก็ขอให้บอกกล่าวให้ข้าพระองค์ฟังด้วยถ้าว่าพระพุทธองค์ไปเทศนัดสถานที่อื่น ที่ข้าพระองค์ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยต่อไปภายภาคหน้ามีคนสงสัยขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านไปเสด็จไปเมือง น, นั้นปีนั้นเวลาเท่านั้นไปเทศให้พวกกษัตริย์เหล่านั้นฟังท่านอานนุ์รู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะดูถูกข้าพระองค์ได้เพราะนั้นพ ร, พ, รพระพุทธองค์ เมื่อไปเทศนาว่าการนสถานที่ใดเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยขอให้พระองค์กลับมาแล้วก็บอกกล่าวให้ข้าพระองค์ทราบด้วยไอันนี้ก็คือพระอ น, นุ์ขอจากพระพุทธเจ้าที่จะได้เป็นพุทธอุปถากีนะ่ยงท่านฉลาดมากเลยพระอนนุ์นะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าการไปไปแล้วก็ควรจะบอกกล่าวให้พวก ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่อยู่กับหลวงพ่อเพื่อเป็นแนวศึกษาหลวงพ่อได้ไปวันที่สิบเจ็ดกับไปที่อุดรได้โรงพยาบาลศูนย์เขานิมนต์หลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมจุดนี้จุดหนึ่งก็มีคู่คนก็ไม่มากก็มากพอสมควรเหือนกันแต่ก็ตามสวนราชการนั่นล่ะ เราะจะให้อบรมศีลธรรมจริยธรรมสวนราชการมีหมอมีพยาบาลมีพนกักงานหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อจะพูดเรื่องศีลห้าเพราะว่าครูบาอาจารย์ไปนักสถานที่ใดเมื่อเขาไหว้พระย่อเสร็จแล้วเขาอาราธนาศีคลครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ศีลโดยที่ไม่ได้อธิบายเรื่องศีลมีคุณค่าอย่างไรแต่โดยมาก หาว่าหลวงพ่อเองไปนักสถานที่ใดจุดนั้นไม่เคยไปไม่เคยเข้ามาก่อนไม่เคยไปมาก่อนหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องสินห้าให้ฟังว่าสินห้าข้อที่หนึ่งมีคุณค่าอย่างไรที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องสินจากนั้นก็จึงค่อยอธิบายเรื่องธรรมะภาคปฏิบัติการอยู่ร่วมกันพร้อมเพียงสมัคคีกัน จากนั้นก็การเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่เศรษฐกิจพอเพียงทำยังไงจึงจะพอเพียงได้จากนั้นก็อย่าลืมชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพวกเรารอวีซ่าอยู่อีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงทุกคนก็จะต้องเดินทางกลับบ้านเก่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราให้เตรียมพร้อมเอาไว้หลวงพ่อจะลักษณะ เทศธรรมเทศนาลิตการแนะนาของหลวงพ่อสรุปแล้วก็คือให้ตั้งอยู่ในอ ป, ปมานธรรมคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะในชีวิตของพวกเราจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลงไปที่ขอนแก่นไปรับรางวันพระทัตพนมทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่สิบเก้าวันที่สิบแปดธันวาคมห้าศูนแต่วันนั้นได้รับ รางวันสองอย่างอันดับแรกก็คือพระธาตุพนมทองคำเป็นผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเขาจะให้เป็นรางวัลอันหนึ่งครั้งหนึ่งต่อคนหนึ่งในปีนั้นแต่ปีนี้หลวงพ่อเขาเอาผลงานของหลวงพ่อไปหลวงพ่อเลยเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำกับพระเทพพระเทพท่านเจริมาเพื่อ ประธานปริญญาบัตรแกมหาวิทยาลัยและก็พร้อมกันท่านก็มาเปิดตึกสงอาพาศิบ่เก้าชั้นเปิ ด, ปดตึกศรีนครินสิบเก้าชั้นพร้อมกันท่านก็ประธานปริญญาบัตรก็พร้อมกันกขอคณะมหาวิทยาลัยก็ขอให้หลวงพ่อไปรับกลางวันประทัดพนมทองคำกับองค์ประเทศวันที่สิบแปดและก็พร้อมกัน ตอนบ่ายผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินก็มีจักจัตยาญาติโยมหลายคู่หลายคนแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็คือหลวงปู่ธรรมอุดมญาณโมรโีวัดโพธิสมพรแล้วก็หลวงปู่มาร้อยเอ็ดแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์พิชิตพระอาจารย์เมืองห้าองค์รับโลกกับองค์พระเทพตอนบ่าย สองโมงจากนั้นเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยลงไปทางรถลบปุรีไปก็พระท่านนิมนต์จัตไทายาทยาดโยมนิมนต์เขาอยากจะตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่ลบปุรีแต่เขาตั้งขึ้นมาแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยกษสถานีก็ยังเล็กอยู่ส่งใกล้ใกล้อยากจะทําส่งให้ไกลขึ้นกว่านั้นแค่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เครื่อง หรือเสาหรือสถานที่ให้ถาวรเพื่อจะได้ส่งไปหลายๆจังหวัดในละแวกนั้นจังหวัดอ่างทองจังหวัดอุธยาอย่างนี้จังหวัดสุพรรณคือมันอยู่ในแดนกลางทางลุ่มเขาทางนู้นแล้วมันเป็นท้องนาอยากจะได้ให้ส่งให้ไกลอันนี้หลวงพ่อก็ไปรับผ้าป่าจุดนั้น จากนั้นก็ได้ลงไปที่สวนแสงธรรมองค์หลวงตาปลวงว่าหลวงตานีมณฑพระสงฆ์พระลูกศิษย์ทุกหาองคหลวงตาเป็นประธานสวดมนต์เพื่อเป็นถวายพระราชกุศลในหลวงอายุครบแปดสิบพรรษาของในหลวงล้มที่เป็นล่มโพล้มสายของประเทศชาติพระองค์ท่านอายุครบแปดสิบพรรษา พระสงฆ์ก็ได้สวดมนต์แล้วก็ตอนบ่ายองหลวงตามมอบทองคำเข้าคลังหลวงเป็นครั้งที่สิบสี่เป็นทองคำทั้งหมดหกร้อยกิโลสี่สิบแปดแท่งแท่งละสิบสองกิโลกว่าคิดเป็นเงินออกมาก็ประมาณสี่สี่ร้อยกว่าล้านมอบในครั้งนี้องหลวงตาท่านก็มีจุดประสงค์ อยากจะให้พร้อมหน้ากันทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการมอบเมื่อตอนบ่ายของวันที่สิบเก้าชาติก็คือนายกรัฐมนตรีมารับรู้รับทราบเป็นสกิพยานศาสนาก็คือพระสงฆ์มีองค์หลวงตาเป็นประธานจากนั้นก็มีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเหมือนกันที่นั่งรับรู้รับทราบ จากนั้นพระมาหากษัตริย์ก็คือฟ้าหญิงองค์เล็กท่านมาเป็นประธานรับทองคำในวันนั้นจากนั้นเมื่อรับกล่าวทางลูกศิษย์ทูกหาองค์หลวงตาก็กล่าวมอบทองคำจากนั้นทางแบง์ชาติก็ไปรับหนังสือจับฟ้าหญิงองค์เล็กก็มากล่าวรับทองคำเพื่อจะนำเข้าคังหลวง เป็นการถาวรต่อไปอันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วก็ได้เอาเข้ากล่องหีบจากนั้นก็ได้ส่งเข้าคัางหลวงของวันที่สิบเก้านะที่วันที่ยนะี่สิบตอนบ่ายหลวงพ่อเองได้ไปแบงชาติเขานิมนไปแสดงธรรมเขามนนิมนมานานแล้วละ่ะนิมนก่อนเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อเองก็ได้ปฏิเสธไปครั้งหนึ่ง แต่มาครั้งนี้ก็เห็นว่าเขาก็มาในมณ์อีกนิมณ์องค์อื่นก็มากแล้วก็จะนิมนต์หลวงพ่อไปเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อกับพิจารณาดูแล้วก็คิดว่าคงจะน่าจะเกิดประโยชน์ในความนึกคิดของหลวงพ่อเองเพราะหลวงพ่อเองก็เคยไปในสองั้งแล้วแต่ไม่เคยเทศครั้งแรกเคยพูดอยู่ก่อนสวดมนต์ก็ได้ แสดงความคิดเห็นครั้งหนึ่งแต่พอมาครั้งที่สองนี่ก็คือเป็นการสวดมนต์ทำบุญธรรมดาแต่ครั้งนี้เขานดมนต์ไปแสดงธรรมโดยเฉพาะของวันที่ยี่สิบตอนบ่ายสี่ห้าโมงเย็นแต่วันนั้นหลวงพ่อเองพอไปถึงแล้วก็ได้กล่าวถึงที่หลวงพ่อสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ตามแนวแถวที่องค์หลวงตาพาสงเคราะห์สองข้อ เกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงร่ําโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้พูดให้แกลูกหลานญาติโยมแบ่งชาติทําความพอใจจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นแสดงธรรมหลวงพ่ออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อหลวงพ่อให้สินเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่ออธิบายเรื่องสินก่อนที่เขาอาราธนาศินแล้วหลวงพ่ออธิบายเรื่องสินอีกเหมือนกันเพราะจุดนี้หลวงพ่อไม่เคยไป ก็ได้อธิบายเรื่องศีลศีลมีคุณค่าอย่างไรศีลห้าจากนั้นก็ลุงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่อย่าให้ขาดตกบกพร่องอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวเมื่อกี้นี่แหละการดํารงชีพการชกแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นสําคัญอาหารกายอาหารใจทางอาหารกายพวกเราก็จะให้ขาดตกบกพร่องส่วนอาหารใจคือธรรมะก็จะให้ขาดตกบกพร่องในการ สอแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองเพราะว่าจนจะสิ้นปีแล้วเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบกว่าวันที่ยี่สิบอีกไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ทบทวนดูว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้าง เราจะทำกรรมดีหรือว่าทำสิ่งที่ดีอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราจะทำชั่วอย่างเดียวก็เป็นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราให้ทบทวนดูปี2องพันห้าอห้าสิบเนี่เราทำสิ่งไหนคิดสิ่งไหนเรามุกมุ่นไปทางไหนทางจิตใจกายของเราได้กระทำอะไรไปบ้างวาจาของเราได้พูดสิ่งไหนไปบ้างที่มันไม่เป็นศีลเป็นธรรมหรือว่าเป็นศีลเป็นธรรม เพราะว่ามันเป็นทั้งสองอย่างดีและไม่ดีเพราะนั้นพวกเราควรจะทบทวนดูว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างความดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีมีอยู่แล้วความดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเหตุนั้นพวกเราควรจะสั่งส่งเสริมให้มากที่ว่าเห็นว่ามันดีความชั่วก็เหมือนกัน ความชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็ดจะเกิดขึ้นเหตุนั้นเราควรพิจารณาละเสียพยายามอย่าให้มันเกิดในสิ่งที่มันที่ในสิ่งที่ความชั่วน้นๆนีน่อันนี้ก็ให้เราปิดงบดูเราจะไปปิดงบแต่ภายนอกงบภายในของเราคือการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราควรจะปิดงบ ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงขาดทุนกำไรอย่างไรในการเป็นอยู่ของเราถ้าพวกเรามีแต่ปิดงบข้างนอกหรือว่าบริหารจัดการแต่ข้างนอกตัวเองไม่จัดการไม่ดูไม่คบไม่ทบทวนไม่มองตนเองเพอเผอความลุ่มหลงมัวเมาจะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายหรือว่าบริหารจัดการแต่ข้างนอกตัวเองไม่จัดการไม่ดูไม่คบไม่ทบทวนไม่มองตนเอง เพอเผอความลุ่มหลงมัวเมาจะเกิดขึ้นได้ไง่ายจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการนำลงชีพเศรษฐกิจพอเพียงจะทำยังไงเศรษฐกิจเศรษฐกิจจริงจะพอเพียงก็ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักหาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้เศรษฐกิจไม่พอเพียงแน่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองว่า ชีวิตประจำวันของเราเงินเดือนของเราแต่ละเดือนเราได้เดือนละเท่าไหร่และค่าใช้ใจ่ายของเราแต่ละวันเราจ่ายอย่างไรถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักประมาณในการใช้ใช้เกินตัวเศรษฐกิจไม่พอเพียงแน่แต่ถ้ า, าว่าเราใช้ให้เหลือเอาไว้เหลือไว้เพื่ออะไรเราก็ต้องทุกถามว่าเราใช้เหลือเงินมันเหลือแต่ละเดือนแต่ละวัน แต่และ ว, วันเราเหลือไว้เพื่ออะไรเราเหลือไว้เพื่ออนาคตต่อไปในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่แน่บางทีพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยสามีภรรยาผู้ที้เกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นยังไม่แน่เราก็จะต้องได้ใช้เงินก้อนนี้นี่แหละการวางแผนชีวิตของเราแต่ ถ, ถ้าว่าพวกเราไม่วางแผนชีวิตของเราแล้วใครจะเป็นคนวางให้เราตามคนอื่นวางให้เราก็เป็น เรื่องคนอื่นไปเรานั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งเราควรจะวางแผนชีวิตของเราถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราจะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขเศรษฐกิจพอเพียงอืมเศรษฐกิจพเพียงพอได้แต่ถ้าพวกเราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วนั่นแหละพวกเราจะทุกลาบากการเป็นอยู่นี่หลวงพ่อก็ได้พูด ในการบริหารจัดการตนเองจากนั้นลุงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องภาวนาทางด้านจิตใจไงตายแล้วไม่สูญนะกายจะเกิดอีกพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์แล้วที่โค้นตนโพเมื่อสองพันกว่าปีท่านไปนั่งพิจารณาดูไปฝึกไปฝึกไปหัดไปเพ่งพินิษ์พิจารณาไปค้นคว้าเป็นเวลาถึงหกปีเมื่อสองพันกว่าปี พระพุทธองค์ไปพ้นควาอยู่ตามหลับพังถึงหกปีเอ่ผลที่สุดก็ได้ประสบความสำเร็จในวันเดือนหกเ่นนั่งคัดสมาธิค้นทางด้านจิตใจดูนามธรรมทางด้านจิตใจจนกำหนดภาวนาจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดยาณทัศนะเกิดฌานเอ่จึงรลึลกชาติผนหลังได้สรุปแล้วพระพุทธเจ้าที่ท่านค้นควาไปนั้น ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกปุเพนิวาสานุสติญาและลึกชาติหผนหลังได้นะนี่แหละพวกเราเชื่อพระพุทธศาสนาต้องเชื่อที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพ็นนั้นนะพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ได้ตัดรู้ทำอีกจุตูปะปาทยานพอจวนสว่างพุทธองค์ก็ได้ตัดรู้ทำอีกอาสาวกัจยาญาณ น, นะให้เราศึกษานะถ้าจะ บรรยายแล้วก็กว้างกว้างมากในสามจุดนี้นี่เพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธควรจะศึกษาในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทาไมพุทธเจ้าเห็นมาตายแล้วเกิดท่านเห็นด้วยวิธีอย่างไรจุรรตัวปาฏยานการจุดติของสัรพสัตว์พระพุทธองค์เห็นอย่างไรอาจาวคยายายนที่พระพุทธองค์ตัดสรุปธรรมนั้นตัดสรู้ด้วยเหตุอนันใดเห็นอย่างไจึงท่านได้ตัดสรู้ สิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องศึกษาทาั้งนั้นน่ะจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะพูดหลวงพ่อเป็นพระป่าขอแสดงความคิดเห็นอกับลูกหลานที่เป็นที่ทํางานในแบงค์ชาติหลวงพ่อเนะี่ยอยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าความคิดเห็นของหลวงพ่อเนี่ย ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟังไต่ตรองเหตุผลคือเรื่องของเรื่องก็คือเศรษฐกิจที่ที่ผ่านๆมาที่บ้านเมืองของเราตั้งแต่นายกหลายยุคจนทำให้บ้านเมืองของเราหกขมนันจนพระ ป่าผ้าดงอย่างลุกพ่อหลุงปู่ลุงตาออกมาหาเงินคําเพื่อเข้าคลังหลวงสรุปแล้วก็คือเพื่อค้าประเทศชาติไม่ให้หกล้มไม่ให้หกกระเหอหลุงพ่อเองก็อยู่ในป่าดงพงไฟก็ได้ออกมาหาจากพี่จากน้องลูกหลานเพื่อจะหาทุนเข้าสู่คลังหลวงเพราะนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายพิจารณาให้ดีเพราะมีหลายยุค ยุกแรกก็คือเงินคำรับสมบัติที่เป็นของสมบัติแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่สามมาถึงรัชกาลที่ห้าพระองค์ท่านเห็นว่ามีคุณค่าจึงเอาเงินก้อนนี้ขึ้นมาทำเป็นเงินถุงเงินเงินถุงแดงเป็นเงินถุงของประเทศชาติ จากนั้นท่านก็ได้ใช้เงินก่อนนี้ใช้หนี้ประเทศชาติที่เราไปทำผิดหรือว่าคนต่างชาติเขาหาว่ า, เ, าเราทำผิดแต่ตามไม่จริงเขาผิดเขาไม่ว่ า, าแต่ว่าเขามีอานาจเหนือกว่าแต่เมื่อเราทำผิดนิดหน่อยเขาปรับไหมเราเาพระ อ, องค์ท่านรัชกาลที่ห้าท่านก็ได้ใช้หนี้ท่านก็เออเงินก่อนนี้มีประโยชน์ท่านก็ได้ได้ รวบรวมเงินก่อนนี้ขึ้นมาอีกนะความเป็นมาของเงินก่อนนี้มาแต่รัชกาลที่ห้าแต่พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้เงินก่อนนี้ก็ใหญ่โตขึ้นตามลําดับจนถึงเจ็ดแปดแสนล้านกว่าบาทอันนี้ถลงพ่อทราบมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคนี้บ้านเมืองเศรษฐกิจร่มจมจะเอาเงินก่อนนี้ออกมาใช้นี่ก็จะเอามาใช้เกือบทั้งหมดทําเป็น พระราชจะกำหนดออกมาไม่ให้ผิดกฎหมายหลวงตาก็เลยปกป้องเอาไว้เพราะนั้นจุดนี้แหละที่ว่าหลวงตาปกป้องเอาไว้นคนในชาติเกิแสดงความคิดเห็นหลวงตาไม่ได้เรียนมาทางบัญชงบัญชีไม่ได้เรียนมาทางเศรษฐศาสตร์หลวงตาออกมาขวางทำไมทำไมจะมาปกป้องเงินก้อนนี้เออเอามาเอามาใช้เพื่อประเทศชาติเมื่อบ้านเมืองที่มันล่มจมเออทาไมหลวงตาขวางเอาไว้ แต่ตามไม่จริงเงินก้อนนี้เป็นเงินของแผ่นดินอันนี้ผลงพ่อแสดงความคิดเห็นนะฮะเป็นเงินของแผ่นดินถ้าว่าหลวงตาได้ประโยชน์อะไรหลวงตาหวังอะไรแต่เราพิจารณาถึงความหวังของหลวงตาหลวงตาอายุถึงเก้าสิบกปีท่านไม่ได้มีความมุ่งหวังอะไรในอนาคตมีแต่ท่านจะช่วยลูกหลานปกป้องปกปักรักษาว่าถ้าว่าเอาเงินก้อนนี้ออกมา เออมาใช้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปในภายภาคหน้าแต่พวกนักเศรษฐศาสตร์พวกนักบัญชีทั้งหลายเอาไว้ทําไมเงินก้อนนั้นมันมีอยู่น่าจะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาหมุนทาไมหมุนจะใหญ่ได้ยังไงเงินนันก็ต้องหมุนเป็นดอกผลออกมาถ้าไม่หมุนมันจะเกิดในดอกผลได้ยังไงแต่ลูกศิษย์ลงหาลูกหลงตาก็ดีลูกศิษย์ลูกลหาหลงตาก็ดีอมันบอกว่า ถ้าเอาออกมาหมุนใช่เงินก็ออกมาหมุนมันจึงจะใหญ่แต่เราไม่เชื่อคนที่เอาออกมาหมุนนั่นแะท่านผู้ออกมาหมุนคนที่เอาออกมาหมุนนั่นเราไม่เชื่อจุดนั้นถ้าหมุนไปแล้วมันใหญ่โตขึ้นมามันก็นไม่ว่าแต่ถ้าหมุนออกไปแล้วมันชุดส่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคนที่คิดเอาออกมาไม่กี่คนไม่ถึงสองสามร้อยคนที่คิดออกมาเอาเงินออกมา แต่ที่ทางทรามมันทุกโจนขึ้นมามันผิดพลาดขึ้นมาคนทั้งหกสิบกว่าล้านคน่ะใครเป็นคลรับผิดชอบมันทุกทั้งประเทศทีนี่ถ้าว่าเราไม่เชื่อแล้ว เ, เอาไว้ที่นั่นดีกว่าไม่ใช่เหรอเอาเกี่ยวไปนั้นก่อนเพื่อเป็นเสาค้ำประเทศชาติถึงยังไงยังไงก็มีเงินอยู่ค้ำประเทศชาติของเราที่หลงตาห้ามเอาไว้เรียว่าตุ้งตาปกป้องเอาไว้ลงตาไม่ได้เพื่อหลวงตา หลวงตาเห็นแก่ลูกแก่หลานแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเงินก้อนนี้ถ้าหาว่ามีความจำเป็นในยุคต่อไปภายภาคหน้าข้าวยากหมากแพงทุบพิกภัยเกิดโรคระบาดภายในประเทศเราไม่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดศึกสงครามอย่างเนี้ยเงินก้อนนี้มันจะต้องได้ใช้ถ้าจะเปรียบเทียบกับ ประเทศชาติกับครอบครัวใหญ่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะครอบครัวใหญ่ครอบครัวของเรามีพ่อแม่มีลูกหญิงลูกชายมีเขยมีสะภา้ามีหลาน ถ, าถ้าว่าเงินก้อนนี้อยู่ในครอบครัวควรจะมีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในครอบครัวพ่อกับแม่แน่น่าจะดูเอาไว้ถ้าว่ามุ่งหวังความสงบร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัว สองสามีภรรยาเนี่ยต้องคิดเอาไว้ว่าเราควรจะมีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้เว้นเสียแต่ครอบครัวนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดแบบซื้อบือ้อแล้วก็เอาเงินมาหมุนทั้งหมดเอาเงินมาลงทุนทั้งหมดผลที่สุดเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไปหากู้ยืมคนนั้นคนนี้มันจะทันเหตุการณ์ได้อย่างไรแต่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่องคิดไกลแล้วเงินก้อนหนึ่งต้องมีในครอบครัว ถึงจะเอาไปฝากไว้ทในธ น, นาคารก็ยังไกลเกินไปที่จะไปกดเอทีเอมกลางค่ํากลางคืนมันไกลเกินไปถ้าจะใส่ตู้เซฟไว้ในบ้านก็ยังเปิดตู้เซฟยากในขณะที่ฉุกงหกอย่างนั้นอาจจะเปิดผิดเปิดถูกได้เพราะเราไม่ได้เปิดทุกวันออาจจะเปิดกดเลขผิดได้ก็ได้เพราะเปิดตู้เซฟไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่ต้องเอาไว้สองตายายต้องเอาไวใ้ให้เป็นที่เข้าใจกันบอกว่านี่ปัจจัยก่อนนี้นะเอาไว้ในตู้นี้นะ เกี่ยวไปอย่างนี้นะแต่เมื่อมีคราวจำเป็นบางทีรถชนรถเฉียวลูกสาวลูกชายลูกหลานคนในครอบครัวพอว่าเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวรถเฉียวรถชนขาหักแล้วเนี่ยหัวแตกหัวน็อกพื้นล่ะสองตายายเนี่ยก็ต้องเอาเงินก้อนนะัออกมาเอาให้เลยไปเอาให้ลูกไปเลยไปเอาไปโรงพยาบาลที่มันดีที่สุด ในความรู้สึกของเราเราเอาไปเลยบอกเนี่ยนะเอามอบให้เขาได้นะเงินสามแสนเนี่ยนะเอาให้อยู่นะรักษาให้อยู่อันนี้ถ้าว่ากลางโรงพยาบาลเขาได้เงินเขาก็มั่นใจว่าเขาจะต้องทุ่มเทหมอสุดๆดฝีมือดีสุดๆเพื่อรักษาคนของเรานี่แหละอเงินก้อนนี้คือเงินประ ก, กันประ ก, กันสําหรับคนในครอบครัวเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีเงินเวลาประสบอุบัติเหตุมาเราก็ ยกคนขึ้นไปไปหาเขาเนี่ยรักษาให้หน้อยนะเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาให้ทีหลังความไว้เดื้อเชื่อใจหงเขานั้นเป็นยังไงเขาเราตัวก่อนคนก่อนนะเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าเพราะเขาเห็นก้อนเงินขึ้นมาแล้วแล้วเขามั่นใจเขาทุ่มเทได้แล้วพอก้อนที่สองต่อไปแล้วก็ให้เขาตามมีความจําเป็นตามที่เรามีถ้าว่าเราไม่มีอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะทำยังไงทีนี้ นี่หละเงินก้อนนี้เป็นเงินที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อว่าให้ลืมซะหลวงตาแนวแนวความเห็นขององค์หลวงตานหลวงพ่อดิเชื่อองค์หลวงตาอนยะ่าว่าให้ลืมซะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของประเทศชาติยังเก่าเก็บไว้นั่นเป็นเงินก้นถุงของชาติแต่ถ้าเราเอามาใช้จ้ะก็อย่างที่ว่านั่นน่ะ ในประเทศชาติทุกวันเนี่ยเราก็สอนกันอยู่ทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งบัญชีทั้งการบริหารจัดการปริญญาเอกไม่รู้กี่ใบไม่รู้กี่ร้อยอ่กี่ร้อยกี่พันคนคนในชาติทําไมจึงหาเงินไม่ได้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านปรัสท่านบอกเอาไว้ว่าคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้แต่พวกเราไม่มีปัญญาขนาดนั้นเชี่ยวเหลือจึงหาเงินไม่ได้ จึงมาเห็นแต่เงินก้อนเก่านี่ลุงพ่อก็ได้พูดอย่างนั้นนะอี่และอีกอย่างหนึ่งคนโบราณเขาพูดเป็นคำพังเผยขึ้นมาก็น่าคิดเหมือนกันคนโบราณเขาพูดว่าเงินทองของกายสิทธิ์ถ้าย่อนความคิดรักษาไว้ไม่อยู่แสดงว่าเศรษฐกิจที่ย่าแย่ลงเมื่อคราวที่แล้วแสดงว่าลูกหลานคนในชาติของเราหย่อนความคิดใช่หรือไม่ เออเป็นหย่อนความคิดใช่หร้อไมจึงรักษาสมบัติไว้ไม่อยู่จนถึงพระป่าพระรงกระโดดโลดเต้นออกมาช่วยชาติในครั้งนั้นองหลวงตาก็เป็นผู้นำหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดตันนตันที่สิบสองก็คือหกร้อยกิโลเนี่ยนะฝากเป็นครั้งที่สิบสี่ รวมกันแล้วสิบสองตันกับหกร้อยกิโลที่ฝากเข้าคลังหลวงแล้วจากนั่งกับเงินดอนลลาร์อีกท่านก็ประกาศให้รับรู้รับทราบหลวงตามุ่งหวังอะไรมุ่งหวังเพื่อจะช่วยชาติบ้านเมืองเท่านั้นเจตนาของหลวงตานี่หาผู้ที่จะทำเหมือนหลวงตาเนี่ยหาได้ยากหลวงพ่อว่านะถ้าพวกเราเข้าไปใกล้แล้วเราจะรู้การสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ของหลวงตาโรงพยาบาลหลงลําลงเรียน คนทุกคนอยากอย่างที่ท่านไปโรงพยาบาลจันอาคารพุทธพระหัสสุขอย่างเนียเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปวัดเพราะว่าโรงพยาบาลเขาปิดเขาไม่ได้ทํางานทํางานก็เปลีนแต่รักษาผู้ใหญ่เขาไม่อยู่หลวงตาไปแต่ละครั้งไปโรงพยาบาลพอไปถึงท่านก็ให้โรงพยาบาลละสองหมื่นทำไมท่านจึงให้ฟังดูนะว่าท่านให้เพราะอะไร ท่านให้เหตุผลว่าเมื่อท่านไปโรงพยาบาลท่านไปถามว่าเป็นยังไงโรงพยาบาลโอ้ยโรงพยาบาลเป็นหนี้ครับหลวงตาถับหลวงตาพอมีก็ขอให้หลวงตาเมตตาช่วยโดยเทินโรงพยาบาลเป็นหนี้เป็นหนี้เพราะอะไรหลวงตาก็ถามเป็นหนี้เพราะว่าคนป่วยอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เหมารถมาพอมาถึงโรงพยาบาลแล้ว เขาไม่มีเงินเเขาได้จะเหมาเงินเหมารถมาทันเองที่พอมาอยู่เขาจะกลับเดินไปไปเอาข้าวจากบ้านเขามากินก็ไปไม่ได้เพราะมันไกลไม่มีรถอีกต่างหากถ้าจะอยู่ต่อไปก็เฝ้าไข่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรผลที่สุดเขาก็มาขอกินกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเห็นว่าเออจะทํำยังไงได้อเมื่อเขาไม่มีกินผลที่สุดก็ตอนเช้าก็เลี้ยงข้าวต้มพอตอนเที่ยงก็เลี้ยงอาหาร ตนเย็นไม่มีงนั้นแต่เตียงแต่เช้าก็เที่ยงทนเองเลี้ยงเขานี่แหละกระทาให้เงินของโรงพยาบาลร่อยหลอเป็นหนี้เพราะจุดนี้หลวงตาหลวงตาและยินโอ้ขนาดนี้เชลยวเหลือเมืองไทยไนงะเอา้าต่อไปนี่เราจะให้โรงพยาบาลโลงรงพยละสองหมื่นโรงพยาบาลอำเภอเพราะฉะนั้นหลวงตาไปที่ใดท่านจะให้โรงพยาบาลละสองหมื่นสองหมื่สองหมื่นตลอดทั้งเข้าสารอาหารแห้งด้วยทั้งน้ําปลูน้ําปลาด้วย เออที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะนี่แหละสงการสงข้อหลวงตาและก็พร้อมกันหลวงตากระทาพินัยกรรมไว้อีกต่างหากเออมีจะมีที่ไหนอีกหลวงตามีพินัยกรรมบอกเอาไว้ว่าเมื่อเราตายเมื่อไหร่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอาเงินจะตกปัจจัยมามากน้อยเอามาทําบุญในงานศพของเราให้เอาเงินก้อนนั้นนะ่ะที่เขามาถวายทั้งหมด ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดให้เอาเงินก้อนนั้นเข้าคลังหลวงทั้งหมดอย่าเอาเงินก้อนนั้นมาใช้ในงานศพของเรางานศพของเราใช้ฟืนเท่านั้นเผาอย่าไปใช้อย่างอื่นอย่าไปใช้เงินใช้ทองใช้ฟืนเผาศพของเราส่วนเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้เอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้มีพิ่นายกรรับแต่หลวงพ่อเอง ยังไม่รู้ว่าพินัยกรรมนั้นระบุถึงชื่อหลวงพ่อหรือเปล่าแต่หลวงพ่อเองก็พยายามจะผักดันให้ได้ให้ไปตามความประสงค์ของหลวงตาที่สุดเลยเห็นด้วยกับหลวงตาหลว ง, งตาเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ช่วยชาติอย่างสุดๆถึงลมหายใจเมื่อสุดท้ายเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายที่ได้ฟังเนี่ยถึงจะไม่เอาตัวอย่างของหลวงตาหมดพกกระเบียดนิ้วก็ให้เอาเสี้ยวหนึ่ง ในการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองที่บ้านเกิดของพวกเราหลวงพ่อว่าบ้านเมืองก็คงจะสงบร่อมเย็นเป็นสุขมากกว่านี้แต่ถ้าว่าพวกเราพี่จะแก่งมีแต่แย่งกันมีแต่บอนมีแต่ไซมีแต่ช่วยกันกินบ้านกินเมืองอืพลใดมีกินได้มากขอรับชันใดมากผู้เนืนอนือถือว่าเป็นฮีโร่เป็นผู้ฉลาดบ้านเมืองของเราคน ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ถ้าว่าพวกเราช่วยกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ประเทศชาติประเทศชาติบ้านเมืองของเรากงคงจะร่มเย็นเป็นสุขนะหลวงพ่อขอฝากไว้กับลูกหลานทุกๆคนแล้วก็พร้อมกันก า, กาที่ลงตามหาบัวที่ท่านเมตตาที่ท่านห้ามเอาไว้ท่านไม่ได้เพื่อใครอาหารการบริโภคหรืออาหารการฉันของท่านไปดูก็แล้วกัน ไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องแล้วก็ท่านก็ไม่ได้คิดอะไรอีกต่างหากคิดเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้ในยามฉุกเฉินพวกเราคิดดูก็แล้วกันให้ลืมซะเงินก้อนนั้นรัฐบาลต่อไปภายภาคหน้าหรือแบงค์ชาติก็ให้บอกกล่าวกันแล้วก็ให้ลืมรัฐบาลต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ อันนี้เป็นความคิดเห็นของพระป่าองค์หนึ่งเอที่มาพูดในแบงชาติในวันนี้อันนี้หลวงพ่อก็เลยแสดงความคิดเห็นว่างั้นแต่หลวงพ่อก็คิดคิดเหมือนกันพอพูดจบ เ, เราทางแบงชาติเขาให้มาอบรมศีลธรรมจริยธรรมแต่หลวงพ่อก็กลับมามาแสดงความคิดเห็น เ, เรื่องเศรษฐกงเศรษฐกิจอย่างนี้เอ เผอเอรเขาจะไล่ลงทำมัดเพอรเพอรเขาจะปาก้อนหินตามหลังเราก็ไม่รู้ละนานี่นาวะ่ะเขาคงจะเข็ดอะไรที่นี่วะ่ะหลวงพ่อกันให้ศีลให้พรเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับที่พักพอรุ่งนี้เช้ามาหลวงพ่อไปฉันอีกที่หนึ่งโยมผู้นิมนต์หลวงพ่อไปที่แบงคชาติหลวงพ่อก็ถามไปไง่ายที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี้คณะพนักงานลูกหลานทั้งหลาย อที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคงจะไม่เข้าใจผิดนะหลวงพ่อเจตนาดีนะอโอ้ดีหลวงพ่อพูดตรงหลวงพ่อพูดตรงเข้าใจได้ง่ายดีหลวงพ่อเป็นที่เข้าใจกันแต่ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยมือนกันเนี่ยหลวงพ่อพูดไปแล้วนี่แหละนี่แหละหลวงพ่อไปที่แบงค์ชาติก็ได้พิจารณาดูแล้วจะพูดเรือยไปพูดจะพูดเรือยไปพูด คนที่สุดหลวงพ่อก็เลยพูดดีกว่าดีกว่าไม่พูดถ้าไม่พูดก็ไม่แสดงไม่ได้แสดงความคิดเห็นฝ่ายพระสงฆ์ที่ท่านห้ามไว้ห้ามไว้เพราะอะไรหลวงตาท่านเขาพูดจริงอยู่แต่ไม่ได้พูดชัดเจนท่านก็พูดแบบผู้ใหญ่พูดแบบนั้นแต่แต่หลวงพ่อพูดเนี่ยพูดแบบชี้ให้เห็นแบบครอบครัวเดี๋ยหลวงพ่อเองก็บริหารจัดการกับลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน ในวัดว า, าสนาเนี่ยหลวงพ่อก็ได้คิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละบริหารจัดการภายในวัดของหลวงพ่อเนี่ยเพราอหลวงพ่อเห็นว่านี่นหะอนนจังทุกขังอนัตตาภายในวัดของเราภายในวัดของเราเป็นครอบครัวใหญ่เพระเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ยี่สิบกว่าขนาดหน้าแรกยี่สิบกว่าญาติโยมเท่าไหร่ที่มาเกี่ยวข้อง เพราะนั้นการเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนอยู่ในกฎอนิจังทุกขังอนัตตาทาั้งนั้นเพราะนั้นในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็ต้องคิดเตรียมการเอาไว้เหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรถ้าเอาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยระดับหนึ่งจะพาไปที่ไหนถ้ามากมายขึ้นมาจะพาไปที่ไหนมีขั้นมีตอนสาหรับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้คิดอย่างนั้นเหมือนกัน คนนั้นการที่หลวงพ่อได้พูดเถอคือเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อบริหารจัดการภายในวัดหลวงพ่อคิดว่าไม่น่าจะผิดอืก่อนที่จะใหญ่ได้มันก็ต้องเล็กก่อนเล็กกับใหญ่กับคงจะเป็นรูปแบบคล้ายคลึงกันก็คงจะไปลักษณะแนวแถวเดียวกันในการเป็นอยู่เพราะมนุษย์ชาติเหมือนกันไม่ใช่เทวบุตรเทวดาที่ไหนเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ต้องอ คิดอ่านไตรตรองด้วยเหตุผลว่าการอยู่การเป็นอยู่ของเราทุกระดับขั้นตอนพวกเราควรทําตนอย่างไรนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อได้พูดตั้งการเป็นอยู่อาหารกายอาหารใจอาหารใจก็คือนี่แหละตายแล้วไม่ศูญอาหารกายก็คือการเป็นอยู่ทําให้ถูกต้องเป็นธรรมความสงบร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเรานะ วันนี้หลวงพ่อได้พูดทั้งคดีโลกคดีธรรมให้พวกเราได้ศึกษานะฟังให้พูดทั้งนี้ก็เพื่อการศึกษาให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้หลวงพ่อไปพูดอย่างไรกลับมาเขได้พูดให้ศรัทธาญาติโยมพระเนนได้ฟังแล้วจะพวกเราทั้งหลายก็ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นแนวความคิดมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ยินหลวงพ่อพูดมาอย่างนี้หลวงพ่อ ท้าว่าพวกท่านเป็นผู้ไฝ่ในการศึกษาแล้วก็จะรู้จักวิธีการที่จะเอาตัวรอดอย่างไรในอนาคตหลวงพ่อว่านะนี่เป็นความคิดเห็นของหลวงพ่อนะแต่พวกท่านทั้งหลายอาจจะเหนือกว่าหลวงพ่อก็ได้ถ้าเหนือกว่าได้ก็ดีนะเป็นอภิชาติตบุตรเป็นอภิชาตลูกศิษย์ประกานเถอะลูกศิษย์เหนือกว่าครูบาอาจารย์มีมากต่อมากแต่ถึงยังไง ถึงหลวงพ่อจะโง่เง่า เ, าเต่าตุตนอย่างไรหลวงพ่อก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มาเกี่ยวข้องฉเฉลียวฉลาดปาดเปืองยิ่งกว่าหลวงพ่อเป็นในไหนฮะอยากจะเห็นลูกศิษย์ลูกหาฉลาดปาดเปืองว่างั้นแต่ไม่อยากจะเห็นลูกศิษย์ลูกหาโง่เง่าเต่าตุตนไม่มีความคิดความอ่านไม่หลวงพ่อไม่อยากจะเห็นการพูดการแสดงในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเอาต่อไปในนั่งสมาธินาะทีนี้นะจากนั้นคอยเลิกกันอากาศกับพอดีพอดีวันนี้